بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا ع ل م ل ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري و ي س ر لي أمري أحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمونا م و شفيع ا لنا يوم الدين رحمتك يا ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا ربنا ظ ل م ن ا أنفسنا و إ ل متوقر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا أ ت ن ا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و ا ق ن ا عذاب النار <تصفيق> الحمد لله تكون شكرت الله سبحانه وتعالى ربي إرادي โ อ, อกาสในการที่จะมานั่งร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาดูคำสอนต่างๆในคำภีของพระองค์อ l l a h s u b h a ะ a h u า a Taala มครับเรื่องราวต่างๆที่อ l l a h Subhanahu Wa พูดถึงในร u r a h a l n a ยอาตสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อให้มนุษย์ได้ระลึกถึง จุดหมายสุดท้ายของพวกเขา <c oughs> หรืออีกโลกหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องไปนั่นก็คือโลกแห่งอาเครัฐนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องราวที่มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยจะให้ความสำคัญหมายถึงในแง่ของการขยันที่จะนึกถึงมัน พูดถึงมันบ่อยๆไม่ค่อยมีทั้งๆ ท, ที่การพูดถึงอาครรัตน์นั้นมีประโยชน์มากโดยเฉพาะต่อหัวใจของเรา <c oughs> หัวใจของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่แปลกจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะหัวใจนะครับชีวิตเราทั้งชีวิตเรื่องแปลก ตัวของเราทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่สุดไปจนเรื่องใหญ่ๆที่สุดเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่แปลกเลยมันบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ความสามารถความมีเดชานุภาพของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะละในการสัสร้าง ส, สรรพสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์มากอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะละทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินในลักษณะที่ ไม่มีใครปฏิเสธไม่มีใคร ส, สามารถที่จะบอกว่ามันไม่น่าดูปฏิเสธไม่ลงครับว่ามันสวยงานบดี ع, ออร์เราใช้ใช้คำว่าเบดีเออร์เบีเออสมาวะตวะล้์คำว่าบดีเออร์มถึงสร้างแบบวิดจ์งดงามอิบดะนะแต่ภาษาภาษาเราก็คือ creative สร้างมาในลักษณะที่สุบภาพละละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺเรียกร้องให้มนุษย์เนี่ยดูสิ่งที่สุถูกสร้างดูสิ่งที่พระองค์สร้างไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์นี่คือคําเรียกร้องของอัลลอฮฺสุบฮานาอะลลอฮฺคำเรียกร้องของอัลกุรอานุลกิริมซึ่งรวมถึงให้ดูตัวเราเองด้วย وفي أنفسكم أ فلا ت ب ล ر و ن, ن الله تعالى บอกอย่างนี้ว وفي أنفسكم أ فلا تبصرون ในตัวพวกเจ้าเองเนี่ยพวกเจ้าเห็นหรือเปล่าเราเห็นไหมฮะในตัวของเราเองเนี่ยมีเครื่องหมายอะไรบ้างที่ชี้ให้เห็นถึงความสามารถของลัอสมภารของท่านอัลลอฮ์ให้เราเกรงเกรงกลัว a l ะ a h ให้เรานิดถึง Allah ให้เรานึกถึงว่าสักวันหนึ่งเนี่ยวเราจะต้องกลับไปห Allah า Allah s u b h a n a ะ u Taala ไปรับผลตอบแทนจาก Allah สิ่งที่มาหาสะจรรันที่สุดในร่างกายของเราก็คือหัวใจมือเท้าเนี่ยมันก็มาหาสะจรัร์แล้วแต่สิ่งที่มาสศจ ร, รันที่สุดก็คือหัวใจของเราหัวใจที่อยู่ในตัวของมนุษย์คือสิ่งที่มาจำแนกระหว่างเรากับสัตว์ สัตว์เนี่ยอย่างอื่นมันก็มีเหมือนเราหมดระบบทางเดินหายใจเราก็มีเหมือนเขาเขาก็มีเหมือนเราระบบทางเดินอาหารเราก็ไม่ได้แตกตา่างสัตว์เวลามันกินมันกินทางปากแล้วมันส่งไปที่กระเพาะมันไปย่อยอาหารมันไปทำให้เกิดเป็นสารอาหารแล้วส่งไปยังกล้ามเนื้อเป็นเนื้ออะไรเราก็เหมือนกันนะทุกอย่างระบบเส้นประสาทอะไรในเราเหมือนกันหมดเลย แต่สิ่งหนึ่งที่สัตว์ไม่มีก็คือคำว่าหัวใจหัวใจตรงนี้ไม่ได้หมายถึงอไอ้สิ่งที่มันเป็นหัวใจวัวตับวัวไม่ใช่หัวใจที่สามารถจะใช้ในการคิดใช้ในการไข้ครวญอันนี้เนี่ยอย่างอื่นไม่มีนอกจากมนุษย์เสร็จแล้วหัวใจมันแปลกตรงไหนหัวใจเนี่ย คือต้นคิดต้นทางของความคิดของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกควบคุมด้ว ย, ยหัวใจนี่แหละมนุษย์จะเป็นคนดีจะเป็นคนชั่วเป็นคนที่สำนึกบุญคุณเป็นคนที่ทรยศฝ่าฝืนเป็นคนประเภทไหนก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าหัวใจของเขาเป็นแบบไหน <c oughs> เพราะฉะนั้นให้เราสำรวจดูหัวใจของเราทุกคนให้ดี ครับพี่น้องเวลาที่เราจะเช็คตัวเองว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนที่มีความสําคัญในสายตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มากน้อยแค่ไหนเนี่ยให้ดูที่หัวใจอินนัลละเลาะยังซูรุอิลาสุวาริคุมอัลลอฮ์ ت ع า ل ى บอกว่าท่านษบบิสซาลาลลอฮ์สัลลัมบอกว่า พระองค์อัลลอฮ์นั้นไม่ได้ดูที่รูปร่างของเราเวลาที่เราจะบอกว่าคนคนหนึ่งเป็นคนที่ผ่านมาตรฐานของอัลลอฮ์สุบฮานองจ่าล้ไม่ใช่ให้ดูที่หน้าตาของเขาไม่ใช่ให้ดูที่ทรัพย์สินของเขาไม่ใช่ให้ดูที่การแต่งกายของเขาแต่วะแลกินนัลลอฮะยัุรูอิลากูลูบิกลุบวะเมลิกุบแต่อัลลอฮ์สุบฮานองจ่าแล้วนั้นทรงดูที่หัวใจของพวกเจ้า และทรงดูที่การงานของพวกเจ้าดังนั้นการเอาใจใส่หัวใจการดูแลหัวใจด้วยการเนี่ยผมก็ลองจะเข้าเรื่องว่าทำไมที่เราต้องพูดถึงเรื่องอะไครต์หัวใจเนี่ยถ้าเราปล่อยมันเฉยๆโดยที่เราไม่ได้ดูแลเนี่ยมันจะแข็งตัวโดยปริยายถ้าเราปล่อยหัวใจของเราโดยไม่ดูแลเนี่ย อ, อัลกุรอานบอกว่า ฟัเเงเอ ย, ยเหัวใจเนี่ยฟังเะธหัวใจเนผ่ล่วงเสธหัวใจเนี่ยฟังเสธหัวใจเนี่แข็งวิธหัวใจเนี่ย ก็คือนึกถึงอาครัตอัซิรูซิคราฮซิมิลลจจงนึกถึงสิ่งที่ทำลายความสุขให้มากที่สุดทุกวันเวลาที่เราอยู่กับดูเนียเวลาที่เรากินอะไรที่มันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาครัตเลยมันจะเพิ่มความแข็งกระด้างให้กับกระดูกชเวลาที่เราออกไปเจอมักซยัดเวลาที่เราออกไปเจอ นะั้นสิ่งที่เป็นการละเมิดทะเลาะสงครามอะไรมันจะเพิ่มจุดดาในหัวใจของเรานานวันมันก็จะยิ่งเยอะนานวันมันก็จะยิ่งเยอะสุดท้ายเนี่ยอมันเยอะมากๆเนี่ยท่านนบีเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรนะไหไหที่ถูกความมา่ำอะตวงน้ํามันก็ไม่ใส่ละมันมันก็ไม่เข้าละนะครับนะบลล้าอูรุเบลห์มุนกาลิ <c oughs> เพราะฉะนั้นการนึกถึงอะเครัตเนี่ยคือคือการละลาย ความแข็งกระด้างของหัวใจเวลาที่เราอ่านอายะห์อัลกุรอานที่พูดถึงนรกบรรดาผู้ที่ถูดลงโทษในนรกอารัสมะาลาลงโทษยังไงนะต้องดื่มน้ำหนองนะ้ำร้อนต้องถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนต่างๆมากมายอย่างน้อยที่สุดถ้าเราฟังมันเรื่อยๆฟังมันบ่อยๆเนี่ยความรู้สึกแข็งกระด้างของหัวใจของเราเนี่ยมันจะอ่อนได้เพราะฉะนั้น การที่เรามานั่งฟังเรื่องราวของอะเครัตเนี่ยแน่นอนครับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและถ้าเราศึกษาอัลกุรอานอย่างจริงจังเราจะพบว่าอัลกุรอานพูดถึงอะเครัตเนี่ยรลอะเครัตคือไม่อยากจะนับเริ่มตั้งแต่สุราะแรกสุราะฟาติฮ่าสุราะฟาติฮ่านี่มีอะเครัตนะแต่เราอ่านมันทุกวันแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไร <c oughs> เออว่มันพูดถึงอะเครัตด้วยสุราะอัลบาคาระจนจบ นานจนจบอัลกุรอานเนี่ย น, นี่เรื่องอื่นอัลละลานี่ยกำลังจะพาเราไปสู่อาคราสอย่างเดียวอัลละลาไม่ได้พาเราไปไหนเลยทุกวันนี้เนี่ยที่เราอา่านอัลกุรอานเนี่ยเพื่อต้องการพาเราไปสู่สถานีอัคราต้องการให้มนุษย์มีเตรียมตัวไปสู่สถานีอัคราใช่ไนหะครับซึ่งเราบอกแล้วว่าวิธีการนําเสนอของอัลกุรอานในเรื่องของอัคราสนั้นนี่หลากหลายในแต่ละสุรอก็มีเหมือนกัน สุราอันนบะเราเรียนแล้วประมาณหนึ่งสุราทุนอันนาซิอาที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็จะมีวิธีการนําเสนอที่แตกต่างไปอีกแบบหนึ่งเพื่อความหลากหลายในการนําเสนอเนี่ยมันจะได้ชักชวนมันจะได้สร้างเสริมเขาเรียกว่าความรู้สึกที่ไม่น่าเบื่อในการนําเสนอด้วยนะครับนี่คือเกริ่นนิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่วันนี้ เราะศาลาจะลงลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่เกิดเกียมัด<ม>จริงๆ จ, จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับอิชั่อลลัฮฺสุลฺานะตะละตั้งแต่อายะที่34 34 34เป็นต้นไปนะครับไปดู ajaati a l q a m a d a h ด่านสนะครับ้าเป็นภาษาภาษาไทยแล้วล่ะนะอัลลอฮฺมินัลชาตานอฺรจีม فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا وآثار الحياة الدنيا فَإِنَّ الْجَحِيمَهِ الْمَوَّى وَأَمَّا النفس عن الهوى ومن خاف ما خاف ويانا عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ل و ن ك عن الساعة أيان مر อ้าดูรลครับ ف ذ ا جاءت الطامة الكبرى สังเกตอายัดนี้ให้ดีอัลลอฮฺแบบสำนวนมันนี่ก็สามารถที่จะเรียกร้องความสนใจให้เรานึกถึงสภาพของอันอัคเครัดได้อย่างมากเลยทีเดียวยาวนะครับ فإذا جاءت الطامة الكبرى เหมือนกับว่าโดยโดยฟังเสียงแล้วมันมันก็ว่ามันเกิดมันกำลังเกิดอะไรขึ้นอ๋อป้อมป้อมเนี่ยหมายถึงความหายนะความชิบหายความความเดคําเดิมของมันนี่มาจากคำว่าป้อม <c oughs> สังเกตดูเวลาน้ำท่วมน้องนะตอนนี้ช่วงนี้มันกระแสน้ำท่วมเยอะ นะเวลาน้ำท่วมที่มันท่วมแม่น้ําจนกระทั่งมันเอ่อล้นอันเนี้แหละคือว่าคําว่าพอม่มมาจากคําว่าพุ่มหมายถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความวิบัติของวันอัคราเนี่ยมันไม่เกิดเป็นจุดจุดจุดนะไม่ใช่เกิดเฉพาะที่อเมริกาภูเก็ตยังไม่เกิดก่อนภูเก็ตเกิดปีหน้าไม่ใช่นะวันอัคราเวลามันเกิดมันไม่ใช่ว่าเอาเอาเฉพาะประเทศไทยใาประเทศอื่นไม่ต้องโดนไม่ใช่ครับ ฟ้อมอวนวายไปหมดทุกแห่งทั่วโลกไม่ใช่ว่ามีเฉพาะน้ำท่วมที่กรุงเทพอย่างเดียวบ้านเราไม่โดนอันนั้นเราเรียกไม่ไ ม, ไม่ใช่ต้อมอะวันอาครก็คือต้อมแล้วไม่ใช่ต้อมอะเล็กเ ล, กเลก็อัลกุบรอฟ้อมอ่ที่ใหญ่หลวงนี่คือชื่อหนึ่งของวันเกียรติมันจะมีหลายชื่อวันกิยมันเนี่ยมีหลายชื่ออลกอริอาเป็นชื่อหนึ่งของวันเกียรต สแสดงถึงคุณลักษณะประการหนึ่งว่าวันกิยามัตเนี่ยมาลักษณะแบบนี้อัลกอเลยอะมาแบบไม่ทันตั้งตัวคืออัลกอเลยอะเหมือนคนที่มาเคาะประตูมาแบบเราไม่ทันตั้งตัวในขณะที่อัฟฟามะหมายถึงคุณลักษณะที่แบบมาแล้วมาแบบหรือเวลาน้ําป่ามาเนี่ยหมดทั้งบ้านทั้งทั้งหมู่บ้านทั้งเมือโดนหมดเลยนี่คือคําว่าอัฟฟามนะเราแต่ละใช้คํ า, าคนี้ในการที่จะบอกว่า อาเมื่อความวิบัติที่มันกระจัดกระจายทั่วไปหมดเนี่ยมาหาเจ้ามาหาพวกมนุษย์ทั้งหลายอัลลอฮฺอักบรอัลลอักบรนะอุบิลอุบิลมนเนีเพราะฉะนั้นนี่คือการฉายภาพสาธยายภาพให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างความวิบัติอันใหญ่หลวงของวันกิยามัตเนี่ยพี่น้องครับ เราจะจินตนาการมันได้ยังไงอัลลุบานะะลได้อธิบายในหลายๆรถ้าจะให้กลับไปดูในสุรต้นสุรอัลฮะจสุรอัลจนีอัลฮะจก็หมายถึงพิธีพิธีฮะจนะเวลาทำฮจแต่ทราบรรักว่าเริ่มต้นสุรษอัลจนยอัลลอฮลเริ่มด้วยวันกม์ก่อนยาอายุหฮันนัส เอรนะตั um ้รบคุอินซลซชัยอันรที่ทูตหนะ์แต่เริ่มต้นด้วยวันเกยมัที่เราคิดว่าได้บทเรียนอะไรสองเหตุการณ์นี้วันอะเครัสกับฮัจมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันใครพอจะดึงบทเรียนได้บ้างร่าที่พูดถึงฮัจในใครเคยไปทำฮัจบ้างนะครับแน่นอนจะต้องเห็นภาพ ภาพเกียรมัดเล็กๆใครไปตามท่านนี่จะเห็นเลยว่ามนุษย์รวมตัวกันยังไงใส่ผ้าขาวเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครที่น้นใส่ผ้าแตกต่างไปจากพวกเป็นภาพไม่ใช่ของจริงแต่เหมือนกับว่าจับเขาเรียกว่าอะไรนะจำลองจำลองวันเกียรมัดให้มนุษย์เห็นตั้งแต่ยังไม่ตายวาเนี่ย ภาพขอวันเทียมักเนี่ยสังเกตดูเวลาไปคว้างหินสมัยก่อนไอ้คว้างหินจะหนักหนามากเดีย๋ยวนี้สบายขึ้นเยอะห้าชั้นนะฮะไม่ว่าสี่ชั้ น, นสมัยก่อนเวลาคว้างหินเนี่ยเกือบตายนะบางคนตายตายตรงคว้างหินอนะคว้างหินวันที่สิบ่ะนะแต่หลังจากที่มาจากอาราฟาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปคว้างหินเนี่ยออมอออักบัตอันนั้นหมดจริงๆนะหมดสภาพจริงๆเวลาไปคว้างหินเนี่ยนะใครที่เคยไปสมัยสิบปีที่แล้วเนี่ยก็จะ หนักหนาอาการทีเดียวนั่นคือการจําลองภาพเกียร์มัดเล็กๆและอิละฮิลลอละเพราะฉะนั้นพูดฮัจแต่เริ่มต้นด้วยวันเกียร์มัดนี่คือหนึ่งในลักษณะอัลต้อมมาจุลคุบะรอความโกลาคนต่างๆอินนัลจเลตัสซาติใช่บนอัลริมว่าตาลาบอกว่าความสันไวยของวันเกียร์มัดนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงมากขนาดที่ว่า คนที่ตั้งคันผู้หญิงที่ตั้งครันจะแท้งลูกออกมาโดยที่ไม่รู้สึกตัวผู้หญิงที่ให้นมลูกอยู่จะทิ้งลูกตัวเองที่กําลังให้นมแบบแบบไม่รู้สึกตัวคือมันงงไปหมดนี่คืออัลตอมมะตุลคุบราะนะครับความน่ากลัวความสสพึงกลัวที่อัลอาลอฮฺได้อธิบายในหลายๆที่ในกุรอานของพระองค์ลาอูซ บ, บิลละฮ์มันได้ ทีนี้เรามาดูคาอธิบายของอุลามะบางท่านนะครับงท่านเอุลามะอธิบายบางท่านว่าอัลกิยามะ فإذا جاءت الطامة الكبرى ا ل ط ا م ل ك ب ر م ج ه د นะครับนนีะอธิบายว่า الطامة ا ل ك ب ر هي التي تسلم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار อัตตาเมตุลคุบราตรงนี้เนี่ยมุจ AH อธิบายว่าหมายถึงวินาทีที่ Allah Taala ส่งชาวสวรรค์เข้าวสวรรค์และส่งชาวนรกเข้านรกจะรู้สึกยังไงพวกนี้เข้าสวรรค์ให้หมดพวกนี้เข้านรกให้หมดเป็นวินาทีวิกฤตที่เราจะได้เห็นว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนั่นแหละ อ, อลายักต่อมาา l l a h Taala ก็เลยบอกว่ายุคเมื่อจะ ت ذ ك อินซานุมาสา วันที่มนุษย์นั้นจะได้ระลึกถึงสิ่งที่พวกเขาได้ทำมาไว้ทำมาก่อนบนโลกนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเนี่ยไม่นึกถึงก่อนตายไม่มีใครนึกถึงว่าเราทำอะไรบ้างสุภานัลลหอพอถึงวันอะเครักเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทำมาในชีวิตบนโลกนี้เนี่ยเราจะนึกถึงมันได้หมดเลยจะถูกกลางแผ่ให้เราเห็นต่อนหน้าสมุดบันทึกของเรา เอาละแต่เาจะจะเอาสมุดบันทึกของเราเนี่ยมากลางแผ่ต่อหน้าเราแล้วก็นับทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างทีละอยา่ยางไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดเราก็จะได้เห็นมันสิ่งที่ใหญ่ที่สุดหรือสิ่งที่ใหญ่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วสิ่งที่เล็กมากมิซกาลละดัร์ในสุรทูเซลเซละ فمن يعمل مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خيرٌ يَعْرَفُ ใครก็ตามที่ทําดีเท่าผงทุลีผงทุลีเนี่ย บางคนอธิบายเหมือนกับเวลาที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงตอนเย็นๆนะครับแล้วมีช่องหน้าต่างเคยเห็นไหมครับช่องหน้าต่างที่เวลาที่ดวงอาทิตย์ส่องมาที่เราเห็นฝุ่นถ้ามองอย่างนี้มันไม่เห็นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีฝุ่นอยู่ทั้งนั้นหมดทั้งหมดเลยแต่มองไม่เห็นต้องให้แสงอาทิตย์เนี่ยส่องเข้ามาก่อนแล้วจะเห็นเล็กๆๆๆ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนั่นแหละความดีขนาดนั้นคุณก็จะได้เห็นความชั่วคุณทําขนาดนั้นมันก็จะได้เห็นเหมือนกัน นี่คือเยามายะักการุลอินซานุมะซาไม่มีสิ่งที่ปกปิดอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนที่จะทำอะไรคิดก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปคิดให้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปนั้นจะถูกบันทึกแล้วเราก็จะได้เห็นแล้วอัลลอฮฺก็บอกว่าวบริซาติลจฮีมลิมัยยารอัลลอฮฺจะให้นรก ที่มีไฟลุกอันโชดช่วงให้ประจักษ์แก่ผู้ที่เขาจะเห็นนะแปลค่อนข้างจะสับสนนิดหนึ่งนะครับตรงนี้หมายถึงว่าอัลลอลาจะให้จะเอานรกมาเนี่ยแสดงให้มนุษย์เห็นทุกคนเลยมีสองทัศนะนะบางก็บอกว่าคนที่จะเห็นนรกก็คือเฉพาะคนที่เป็นกาเฟรคนที่เป็นต้องได้รับโทษในนรกพวกนี้เนี่ย จะได้เห็นนรกก่อนที่จะเข้าไปด้วยซ้ำแต่ทศนะหนึ่งบอกว่าทุกคนจะได้เห็นมุกมินก็จะได้เห็นนรกกาฟเฟสเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าจะได้เห็นนรกแม้แต่มุกมินเองก็จะได้เห็นนรกทําไมให้มุกมินได้เห็นนรกเราอยากจะเห็นนรกไหมครับ <c oughs> นะครับเราดูบินแะล้วมินนนน่าเราเนี่ยไม่อยากจะเข้านรกแต่ถามว่าทําไมที่มีทัศนะบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาเองก็จะได้เห็นนรก เพราะละตาาบอว่าว่าผูริษเตลใจมสำหรับคนที่จะได้เห็นนะครับมุกมินเองก็จะได้เห็นเขาบอกว่าเเอัมลมุมินเเฟย์าฟุบรูเยต์คดระนิเมติละฮ์อัลเลห์บลสลามติเมนฮาเวลาที่มุมินได้เห็นนรกเห็นการทรมานในนรกเห็นความน่ากลัวของนรกเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเนืมตของอัลล ا ن ه และ ا ที่ทําให้เขาได้ปลอดภัยจากนรกเนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วเขาก็จะได้ขอบคุณองค์วะเขาก็จะได้สํานึกว่ารอวัดดีใจนะครับที่รักอะไรเขาเนี่ยได้รอดพ้นจากนรกเพราะมันน่ากลัวมากเหมือนเราเราทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่สบายสบายไม่เคยเห็นอ่ะขาก็ไม่ด่วนมือก็ไม่รีบอะตาก็ไม่ได้บอด เราจะรู้ได้ยังไงว่าตาของเรานี่มันมีค่าวันนีน้่เรารู้ว่าตาของเรานี่มีค่าหูของเรานี่มีค่าเท้าของเรานี่มีค่าถ้าเราไม่ไปเห็นคนขาด้วนนั่งขอทานอยู่ถ้าเราไม่ไปเห็นคนตาบอดที่มันทำอะไรไม่ได้เราไม่รู้หรอกว่าเราอยู่สบายนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีทัศนะบอกว่า มุกมินเองก็จะได้เห็นนรกเพื่อที่จะได้รู้ว่าความยิ่งใหญ่ของเนื้อที่อัลลอฮฺประทานมาให้กับเขานั้นใหญ่หลวงสมควรแก่การที่เราจะต้องขอบคุณอัลลอฮฺมากแค่ไหนอัลลอฮมะจัลมินอัสาบในจันน์ละอัลลอฮฺมะลาตัจัลมินอัาบในนาร์ว่า أما الكافر นะผูนกการ์ะที่ได้เห็นนรกเนี่ยฟย زداد غمًا إلى غ อีละฮัสรอติวัน akhirat เนี่ยมันจะไม่มีละมันจะไม่มีการประนีประนอมอีกละพน้องสังเกต ด, ดูให้ดีนะในในดุนยาเนี่ยจะมีประณีประนอมอยเยอะอัลลอฮฺพยายามที่จะเรียบร้องให้มนุษย์กลับไปสู่เส้นทางของอิสลามด้วยการใช้วิธีที่อัลลอฮฺอักบารไม่มีอีกแล้วในวิธีการที่ประณีประนอมถึงกระทั่งว่า ทำผิดแค่ไหนทำผิดเต็มฟ้ายังมีโอกาสที่จะหลุดไปจากความผิดบาส น, นะทำผิดเต็มเต็มท้องฟ้าถทำข้าคนมาเป็นสิบสิบคนเป็นร้อยคนยังมีโอกาสที่จะกลายเป็นเช้าสวรางได้ถ้าอยู่บนโลกนี้ตราบใดที่ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นทางตะวันตกตราบใดที่ดวงดวงวิ ญ, ญญาณของเรายังไม่ไม่ขึ้นมาถึงลูกกระเดือก ตราบนั้นประตูแห่งการเตาบัตจะยังคงเปิดกว้างอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่นึกถึงเนี่ยเราไม่มีการแตะจักรกดบนโลกบนนี้นี่ไม่มีใครนึกถึงนู่นเวลาจะไปนึกถึงวันอาคขรัตเนี่ยมันหมดสิทธิ์ไปแล้วโลกบนนี้เนี่ยรัศลาประนีประนอมกับเราเยอะมากทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่ายังไมไ่ยังไม่ให้ดินมาสูบเรานะยังไม่ได้ลงอัศนิบาทบนหัวเราไม่มีไม่ปรากฏให้เห็นไม่ค่อยมีเท่าไหาร่หรอก แต่เราก็ไม่กลับตัวปรับตนต่ออัลลอฮฺสัมบอัลอาห์แต่พอถึงวันถึงวันที่เราไม่มีโอกาสจะได้รับการประนีประนอมจากอัลลอเนี่ยอัลลอะฺสอลาไม่มีแล้วขอร้องจะกลับมาบนโลกนี้แม้เพียงแค่หนึ่งนาทีครึ่งนาทีเสี้ยววินาทีไม่มีโอกาสพอถึงวันนั้นเนี่ยอะไรอะไรมันจะเป็นสุดๆดหมดเลยชาวสวรรค์ก็จะสุดๆุดในเรื่องของการได้รับน่ไม ความยิ่งใหญ่จากลอสซาล า, าลในขณะที่ชาวนรกก็จะสุดๆนะครับลอสซาลาต้องการลงโทษชาวนรกแบบเต็มที่เลยให้เห็นนรกก่อนที่จะได้เข้าจริงๆเพื่อจะได้เพิ่มความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึก เ, เหมือนคนทุกข์ยากเวลาที่เราหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะทำยังไงหล่อไม่รู้จะไปไหนละ ความรู้สึกเสียใจความรู้สึกนะความรู้สึกที่มันเกรงกลัวให้มันแบบดิ้นดิ้นไม่ได้จริงๆทัาคนที่อยู่ในนรกเนี่ไม่ตายและไม่มีชีวิตละยามูตุ فيها อยู่ในนรกนี่ไม่ตายวะละยัพยาแต่ไม่มีชีวิตยังไงไม่ตายแต่ไม่มีชีวิต หมายความว่าละยามูธจะต้องได้รับในคือทุกวินาทีที่เขาอยู่ในนรกนี่เขารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลารู้สึกตั ว, ว่าโดนลงโทษอยู่ตลอดเวลาความเจ็บปวดนี่มีทุกวินาทีไม่มีการพักผ่อนละยามูธวาเลยะแต่ไม่มีชีวิตหมายถึงว่าการลงโทษของวสุภาโลตัลานี่ถ้าเราโดนเนี่ยจริงๆแล้วการโดนทรมานแบบนั้นนี่น่าจะตายไปตอนนั้น การลงโทษแต่ละอย่างในนรกเนี่ยถ้าโดนบนโลกนี้เนี่ยน่าจะตอนนั้นเลยแต่อัลลอไม่ได้ตายคี่น้องคิดดูสิว่ามันจะเป็นขนาดนี่แหละครับคือสิ่งที่จาเป็นเลยที่เราจะต้องนึกถึงเรื่องราวพวกนี้ทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตใช้ชีวิตแต่ละอย่างไม่เคยคิดเลยนะว่ า, าจะทำอะไรเราไม่ได้ช่างก่อนเลยว่าเนี่ยมันอยู่ในอิสลามหรือเปล่ลาอัลลอฮฺจะลงโทษเราอย่างไงเพราะอะไร เพระอะไรที่เรากล้าทําผิดต่ออัลลอฮ์นะอยู่คนเดียวก็ทําผิดอยู่สองคนก็ทําผิดบางทีทําผิดแบบหมู่แบบพักพวกเน่าสุดเป็นไรเป็นอะไรเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยนึกถึงเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เราไม่เคยเข้าถึงอายะฮ์ an, อัลกุรอานอายะฮ์อัลกุรอานต่างๆที่พูดถึงนรกพูดถึงการลงโทษในนรกของลอสุบะรุส่าแหละไม่เคยเข้ามาชะล้างหัวใจของเราเราระวังให้ดีนะครับวันที่วันกียร์มัดจะมาถึงเนี่ยเราจะไม่ทําอะไรได้อีกแล้วมันไม่สามารถทําอะไรได้อีกแล้ว นะครับวบริษัทเจหิ ا สำหรับใครจะรู ي นะครัอุุ้้มลาร์รัรจะรู้นะครอุมมาร์ดนะรับนอุอาระรับน้าอุุดนะบน้าอารดนั้าีุ้มอุ้ลาะครับนา้นะครับ้อลา์ะาานรา้นะครับา้รด้มด ต่ก่อนะคว่าต่อกอนี่หมายถึงผู้ที่ละเมิดอัลโวกานีทีิบายว่าไอ้เจ้าว่าลพดะในคัฟรวแลมาอัหมายถึงบรรดาผู้ที่ละเมิดขอบเขตของลอสุบฮานะัลลอฮด้วยการฝ่าฝืน เป็นก at ุฟรไม่ศรัทธาต่อล l ะ a, ar, a, a, nah a h ปฏิเสธศรัทธาหรือว่าลมาสีทำผิดต่อ Allah ا ن ะ ل ى ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าตระหนัก بأن تجرأ على المعاصي كبار ولم يقتصر على ما حدده الله أني بن ت ف س ي ر อง ا ل ش و า ي ك م السعدي ด้วยการกล้าที่จะทำผิดต่อ Allah โดยเฉพาะ ในเรื่องที่เป็นบาปใหญ่บาปใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วบาปใหญ่นี่มันไม่ได้เยอะนะนับได้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวบาปใหญ่เนี่หมายถึงว่าบาปที่มีการกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนในชริอัของลอสุภานตาละอย่างเช่นการดื่มเหล้าการดื่มเหล้าเนี่ยมีบทลงโทษกำหนดชัดเจน ว่าคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยถ้าในโลกนี้จะต้องโดนเครียดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไร่แล้วก็มีพูดในฮะดิษว่าบรรดาคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยในโลกนี้ในโลกอาครั์จะต้องโดนลงโทษ ด, ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เราเรียกว่าบาปใหญ่นะการซีนาการซินา่าบทลงโทษในดุนยาคืออะไรบทลงโทษในอาครัชคืออะไรนะครับนี่คือความหมายของคําว่าบาปใหญ่นะเป็นความเห็นของของอุลามะส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าเราจะจําแนกระหว่างบาปใหญ่กับบาปเล็กยังไง ในขณะที่บาปเล็กเนี่ยบาปเล็กก็คือบาปที่สามารถจะลบล้างด้วยการทําดีทดแทนได้นะครับเล็กๆน้อยๆอยนะครับซึ่งบางทีไม่ได้ตั้งใจหรือเผลอไปทําไม่มีการระบุการลงโทษการทรมาณที่ชัดเจนอย่างนี้เราเรียกว่าบาปเล็กนะครับซึ่งบาปเล็กเนี่ยเวลาที่เราเดินมาละหมาดเราอาบน้ําละหมาดมาอย่างดีนะครับอภิษที่เราเคยได้ยินบ่อยๆ ใครก็ตามที่อาบน้ําละหมาดมาจากบ้านอย่างดีแล้วก็เดินมาละหมาดเนี่ยทุกทุกทุกก้าวที่เขาเดินมาเนี่ยรัศลารจะยกระดับหนึ่งขั้นแล้วก็จะลบความผิดให้กับเขาหนึ่งอย่างนะเวลาที่เราอาบน้ําละหมาดเนี่ยบาปต่างๆที่อยู่ที่หน้าเราที่อยู่ที่หน้าผากเราที่อยู่ที่มือเราที่อยู่ตามอวัยวะต่างๆที่เราอาบน้ําละหมาดก็จะหลุดไปพร้อมๆกับน้ําที่นะครับ หลุดลงไปกับน้ําที่เราอาบน้ำมานี่คือบาปเล็กนะครับไม่ใช่บาปใหญ่บาปใหญ่นี่จะต้องตาวัดตัวต่วตอรอดสมฐานอันอลลอฮฺเพราะฉะนั้นคําว่าฟ้ออตรงนี้เนี่ยอุลมามะอธิบายหมายถึงบาปใหญ่แตนะ่เพราะว่าบาปใหญ่เนี่ยถ้าไม่ตาวัดเนี่ยอัอลลอฮฺจะมีสิทธิ์ที่จะลงโทษเขาได้อย่างมากเลยทีเดียวในะอุนน้งสุดเปินหลามด้วยเมย فأما من ط غ วละอัสรุ الحياة الدنيا อัสร์ الحياة الدنيا ال الد หมายถึงชอบเลือกเอาชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้หมายความว่าระหวา่างอัคราสกับดุนยาเนี่ยชอบดุนยามากกว่าส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกที่ทําบาปใหญ่เนี่ยจะมีคุณลักษณะอย่างนี้ไอ้คนที่ไม่เอาอัคราสเนี่ยเพราะอะไรเขาไม่เอาอัคราสนะครับ บางสุรรช์นี่อย่างเช่นสุรรช์อัลกิยามันอันทิ่าเหตุผลด้วยว่าทําไมมนุษย์ไม่ยอมนึกถึงอคนธรรพ์ทั้งๆ ท, ที่มันมีประโยชน์แม่อย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นนะครับว่าการนึกถึงอคนธรรพ์เนี่ยช่วยให้มนุษย์ละลายความรู้สึกที่มันติดว่าใจที่มันดําเนี่ยให้มันย่อยสลายได้แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ยอมนึกถึงอคนธรรพ์เพราะอะไรเพราะทําชั่วไม่สนุก เรากุรอห์ไปทุกทแล้วนะคนทำชั่วนี่ไม่ยอมนึกถึงนรกเพราะอะไระมันทำมันทามันทาแล้วไม่มีความสุขมันจืดชื่อต้องหลงลืมทุกอย่างสังเกตดูให้ดีเวลาคนที่จะทำชั่วเนี่ยจะต้องเมาก่อน น, นหละที่เขาบอกว่า al khamru umul k h a w เหล้านี่ยเป็นแม่ของความชั่วเพราะอะไร พ อ, พอเล่าเข้าปากเนี่ยมันจะมาทุกอย่างเลยความชั่วต่างๆนี่มันมาหมดนะฮะบางทีทําชั่วอย่างอื่นโดยไม่มีเล่าเนี่ยมันทําได้แค่อย่างสองอย่างแต่พอมันมีสิ่งเสพติดเข้ามาในร่างกายสมองเราลือหมดแล้วเนี่ยอ่านั้นมันจะมา ท, าทันทีเลยนะเขาเรียกว่าจิตไฟต่ําอารมณ์ไฟต่ําของเราเนี่ยได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยน้ําเมาเนี่ยมันจะไปหมดเลยสังเกตด้วยดี นักครองเวลาจะขึ้นเวทิถ้าถ้าอายอเนี่ยจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่กินเข้าไปเพื่อเขาเรียกว่าอย่าว่าแต่เล่าเลยนะครับขอโทษนะถ้าใครที่สูบบุหรี่บางทีเวลาที่เราขาดความมั่นใจเนี่ยยังมีนะต้องต้องงดบุหรี่ไปก่อนสักมวนสองมวนนะอุ้สุบินแหละมนแสเนี่เนะข้าข่ายนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองเอากลับไปคิดดูนะครับใ ห, ให้ให้คิดดู س ب ح ا านัลลอฮ์นะคือละอิละอิลลอฮ นะอัลลอฮุซุลเลาะห์ฮะมาเพราะฉะนั้นบรรดาคนที่ชอบเมาเนี่ยไม่ชอบอาครัตแม้ว่าจะเมาเหล้าเมาดุนยาเมาผู้หญิงเมาสมบัติส่วนใหญ่แล้วจะเมาทั้งหมดเลยนะเมาเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเมาดุนยานี่ก็เมาเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะเหล้าเท่านั้นแม้แต่ดุนยาเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเนี่ยเราก็อาจจะริ้มเมาได้ไม่ลื่หูเลื่อนตาเนี่ยเมา นะเรื่องความรักเนี่ยความรักนี่ยก็บอกว่ารักแบบไม่หนึ่งหูหนื่งตานั่นแหละเมารักเห็นไหฮะไม่งั้นคงไม่มีภาษานี่ไม่ใช่ภาษาอับนะภาษาไทยแต่มันไม่ใช่ภาษาภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันแสดงว่ามันมีจริงเราไม่ได้จะปฏิเสธได้ยังไงว่ามันมีจริงเมารักเมาเมาสมบัตินะเมาเมื่อเวลาเนี่ยเวลาที่แย่งตําแหน่งเมาตําแหน่ง ทุกอย่างที่เป็นเมาเมาเนี่ยเอาจะเป็นไลมันได้เลยนะว่าอัสร์ลัยจัตุเนียบรรดาคนที่เลือกเอาดุเนียนะเจ้าซจลพัดละเมิดขอบเขตของอัลลอฮฺซุบฮิห์รราะถะละและเลือกที่จะเอาดุนียไม่เอาอัครัตเพราะพอเอาอัครัตปุ๊บเมาไม่ได้ <c oughs> มเมาเหล้าก็ไม่ได้เมารักก็ไม่ได้เมาดุเนียก็ไม่ได้เมาสมบัติก็ไม่ได้พอมีอาครัต หรือบางทีความรู้สึกเมาเนี่ยมันจะหมดไปเองพอนึกถึงอเคระผู้คนส่วนใหญ่นะที่ชอบดุนียาเนี่ยก็เลยไม่ค่อยชอบอเคระเท่าไหร่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเมาดุนียาต้องนึกถึงอาคระให้เยอะๆบางทีเราอาจจะคิดว่าเออรักษายากเหลือเกินโรคเมาดุนียาผมบอกแล้วรักษาไม่ยากครับถ้านึกถึงอเคระเยอะๆเนี่ยเมาดุนียามันจะหมดไปเอง นะ้แอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้องกับการเมาดุน尼าเนี่ยมันจะค่อยๆลดลดลดลดลดแล้วก็นะครับน้ําเลี้ยงของอาครัตจากอาัลกุรอานจากฮะดิษของท่านนาบีสลุสลต่านะเราจะได้เห็นานางสวรรค์ได้เห็นเนปมัดต่างๆในสวรรค์เนี่ยมาทดแทนน้ําเมาที่มันอยู่ในหัวใจของเราเออกไปได้ต้องนึกถึงอาครัตเยอะๆต้องอ่านอายะฮ์อัลกุรอานที่พูดถึงนรกให้เยอะพูดถึงสวรรค์ให้เยอะอิะนชาอัลลอฮ์นะ เพราะฉะนั้นคนที่ทำบาปคนที่เลือกดุเนียจะเป็นยังไงฝ่าอินนัลจาีมะฮิยลมะวไม่มีที่ที่เหมาะสมไปกว่านะไม่มีไม่มีที่ที่เหมาะสมสำหรับคนประเภทนี้มากไปกว่าอัลจารีมนรกที่ลุกโชดช่วยอัลมะวะอัลมะวะก็คือกลับที่กลับไปหา ที่มืนไม่รู้จะไปไหนละอัลมาอวาในภาษาเราเป็นถือว่าไม่รู้จะหาจะจะจะหันไปทางไหนละแสดงว่าคนประเภทนี้เนี่ยว่าละเตรียมที่พ <c Cum Roosevelt> ักพ <ณ S 1> <ation> ิงนะที่หลบภัยที่หลบเหมือนกับว่าเป็นที่หลบเนี่ยหลบในนรกนบุนดาิกลาอิลาฮอลลลอฮ์ะอูบิลลฮมนารนบนาระอบิลลฮมนานนารและนะะอะนะอนนะอนล ฟาอินนัลจันนัตฮิยลมะอวะอีกพวกหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับพวกแรกโดยสิ้นเชิงถ้าพวกแรกนั้นและเมื่อขอบเขตของ Allah พวกที่สองนี้ข้อฟามะขอมารบิเกรงกลัว Allah سبحانه และเวลาที่จะทำบาปอะไรอย่างหนึ่ง น, นึกถึงว่าสิ่งที่ฉันทำลงไปตรงนี้เนี่ยเวลาที่ฉันไปยืนอยู่ตอนอั้น Allah سبحانه และ Allah จะถามฉันอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยเกิดความเกรงกลัว ยกเลิกไม่ทําแบบนี่คือความหมายของอายัดนี้นะครับเวลาที่จะผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนึกถึงวันที่จะต้องไปตอบคาถามของลัทธิสุภาโนตา่าในวันอาเครัสก็เลยนะฮะยกเลิกความคิดนะห้ามใจตัวเองวันหันนัสสะหมายถึงว่าห้ามใจตัวเองอานิลฮาวะอานะจารฮาวานัสูฮาวานสัสสูนะคำว่าฮาว่าฮาวานัสูเนี่ยนั ฮาว่าเน่เวลาเราใช้เราใช้ภาษาเราฮาว่านับสู่เป็นคำที่ผสมกันในภาษาเราฮาว่าเนี่ยในภาษาระับจริงๆหมายถึงอะไรการดิ่งลงตำ่ำเหมือนกับว่าคนที่ทำตามอารมณ์ของตัวเองนี่โยนตัวเองลงไปให้ให้ต่ำอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำมัศเสียกเนี่ยเหมือนกับว่าเรากำลังโดดลงโดดลงในนรกโดดลงใ น, ดดงในความสกปรกห้ามตัวเองไม่ให้โดดลง ในความสุขปองพวลเานั้นนะด้วยความเกรงกลัวต่อ Allah s u b w ma nah t ว่าอัมมันข้าวสมะครรบบิวหน้านนั้นเสอังินหวอห้าไม่ให้ตัวเองเนี่ยตกต่ำด้วยการคําผิตต่อ Allah al al s w t ฟัินนจันทร์เถี่ยนมะวหผลตอบแทนก็จะตรงกันข้ามกันกับค น, น, น, น, นที่เป็นชาวนรกเพราะ Allah s u b w t ได้เตรียมสวรรค์ให้กับเขาเอาไว้เป็นที่กลับไปนะครับ الله ا ل ل ه h บาร a l ل a h มะเจ ن أصحاب الجنة اللهم มาระ z الجنة الله م มาระ z الجنة الله م มะเจลนะ أصحاب الجنة ا ل ل ه مربنا บบ ن ا ف ي ีน حسنة وفي ا ل آ ص ر, ر ا ت حسنة وقنا عذاب النار a l ل a h ที ا ل عالم صلى الله ع ์น ن นบีนะมะฮ์ห ل ัลละน ص ح ب ลีฮ์ซ و ฮ์ห ل ل ลละนะุละละละล ل ละละละละ